เรื่องนกน้อยทำรังแต่พอตัวการักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวนกกระจิบพ่อแม่ลูก อาศัยอยู่บนต้นมะขามใหญ่กลางป่าทุกๆวันพ่อนกจะบินออกไปคาบผลไม้ป่ามาให้ลูกน้อยมีอยู่บ้างบางวันที่ได้เหยื่อมาเป็นซากนอนและมแมลงลูกๆกนกมักจะบ่นว่าอาหารที่พ่อแม่จัดหาให้นั้น ไม่อร่อยถูกใจเลยแม่กับพ่อนกจึงถามลูกน้อยกลับมว่าลูกเ อ, อ๋ย อาหารที่สดและอร่อยนั้นย่อมเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแต่ลูกลองคิดดูซิว่าหากจะต้องแลกมาด้วยการทรมานและเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นต้องเห็นมันดิ้นทุรนผู้รายตายไปต่อหน้าลูกยังคิดว่าอาหารมื้อนั้นน่ารับประทานอยู่หรือไม่ตอบพ่อมาซิ ลูกนกสายหน้าพ่อจึงสอนต่อว่าเจ้าเองก็เช่นกันยังเป็นลูกนกหัดบินปีกก็ยังไม่แข็งหากมีสัตว์มีพิษอื่นมาทำร้ายเจ้าเพื่อหวังเป็นเหยื่อเป็นอาหารตอบพ่อสิว่าเจ้าจะหวาดกลัวหรือไม่เพียงไร นี่ยังไม่นับสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาจจะจ้องเบียดเบียนเจ้าโดยนึกสนุกขนองด้วยนะลูกนกเกิดปัญญาเข้าใจและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาลูกนกทุกตัวในครอบครัวก็ไม่ปรารถนาที่จะทำร้ายสัตว์ใดๆเลยครอบครัวนกผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและปัญญา จึงฉลาดในการเที่ยวเสาะหาที่ทำรังโดยเลือกบริเวณป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลละมักรากไม้เมื่อลูกนกหลายตัวเริ่มเติบใหญ่รัง น, น้อยของมันดูจะคับแคบเกินไปขณะเดียวกันลูกๆ ก, ก็เริ่มเชี่ยวชาญในการบินและออกหากินได้เองโดยลำพัง พ่อกับแม่จึงบอกกับลูกว่าลูกรักถึงเวลาที่พวกเจ้าจะต้องออกไปเผชิญชีวิตตามลำพังแล้วจงออกไปสร้างครอบครัวใหม่ในที่อุดมสมบูรณ์และจงอย่าสร้างรังให้ใหญ่เกินตัวจงดูพ่อแม่เป็นตัวอยา่าง นอยถามถึงเหตุผลกอบเพราะเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสร้างรังแทนที่จะหากินไปแต่ละมื้อแต่ละวันเจ้าเห็นไหมล่ววะว่าการที่จะต้องบินไปคาบกิ่งไม้มาทีละกิ่งทีละกิ่งเพื่อสร้างเป็นรังนั้นใช้เวลานา น, านแค่ไหน หากเจ้าสร้างรังให้ใหญ่เกินไปก็ยิ่งแต่จะเป็นภัยแก่เจ้าเองด้วยรังเล็กๆผู ก, กปกคลุมด้วยใบไม้ก็ย่อมซ่อนตาต่อศัตรูได้ดีกว่าอีกอย่างเจ้าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงรังในเวลาที่สัญญาณอันตรายมาถึง หรือแม้แต่เมื่อความอุดมสมบูรณ์เริ่มหมดไปเราก็จะสามารถจากที่นั่นได้ในทันทีจำคำสอนของพ่อแม่ไว้นะนกน้อยทำรังแต่พอตัวลูกๆจ๊าในแต่ละวัน ลูกแม่ได้เคยเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตใดให้เขาเดือดร้อนหรือแม้แต่ไปทำลายชีวิตของพวกเขาจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามเคยบ้างไหมจ๊ะขอให้ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ช่วยเตือนสติลูกๆของแม่ด้วย สอนให้รู้ว่าความพอเพียงเป็นคุณธรรมที่จะนำความสุขและความสมดุลให้แก่ชีวิตนอกจากนี้ยังช่วยเกื้อกูลให้ธรรมชาติคงอยู่ไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะจงดูครอบครัวนกเป็นตัวอย่าง Thank <laughs> you.